ในบันทึกของอาจารย์ฉลองเจยาคมอดีตมหาป ร, ริยญนจากสำนักวัดโสมนัสวิหารซึ่งท่านเป็นผู้ที่อาจารย์ยอดให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากท่านเคยเล่าว่าในช่วงปลายปีพศส5งพอ 31, ไม่มีข่าวอะไรโด่งดังคลึกโครมและได้รับความสนใจมากไปกว่าข่าวการเกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ในภาคใต้ หนังสือพิมพ์ทุกฉบับโทรทัศน์ทุกช่องวิทยุทุกสถานีต่างก็ช่วยกันกระจายข่าวนี้อย่างต่อเนื่องมีหนำซ้ำระยะนั้นเดินออกไปทางไหนก็พบแต่ป้ายโฆษณาเชิญชวนบริจาคทรัพย์สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้อาจารย์ฉลองในฐานะที่เป็นคนหนึ่งซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในท้องที่ทั้งให้รู้สึกเสียใจแล้วก็ดีใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่ว่าเสียใจก็ที่เห็นพี่น้องร่วมภาคประสบชะตากรรมอย่างน่าเวทนาแต่ที่ดีใจก็คือเห็นน้ำใจของคนไทยทั่วสารทิศต่ตางหลั่งไหลสู่ดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนก็ทำให้รู้ว่าบ้านเกิดเมืองนอนของอาจารย์หนี่ยังเป็นที่เอาใจใส่แล้วก็เป็นดินแดนที่มีค่าในสายตาของคนทั่วประเทศอยู่ในขณะที่หลายฝ่ายต่างร่วมใจกันบริจาคทรัพย์สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือพวกพ้องน้องพี่ของอาจารย์ตัวอาจารย์เองก็ได้ร่วมบริจาค ก, กับเขาเพียงเล็กน้อยตามฐานะเอื้ออํานวยแล้วก็ได้แต่คอยภาวนาให้พวกพ้องร่วมภาคในปลอดภัยจากพยันตรายนั้นเร็วอันที่จริงก็อยากจะมีส่วนช่วยเหลือให้มากกว่านี้แต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงจะไปแสดงโชว์เพื่อหาเงินสมทบก็ไม่ใช่เป็นศิลปินเป็นนักแสดงหรือว่านักร้องจะเขียนเพื่อเรียกศรัทธามาเกื้อหนุน ก็ไม่ใช่นักเขียนโด่งดังที่ใครๆต่างรู้จักแล้วก็ยอมรับวิมือความปรารถนาดีของอาจารย์ฉลองก็เลยหยุดแค่ส่งใจช่วยเท่านั้นแต่อยู่ๆทางมูลนิธิของวัดแห่งหนึ่งก็เรียกตัวอาจารย์ฉลองไปพบแล้วแจ้งให้ทราบว่าต้องการให้เป็นผู้นําทางไปแจกของที่ภาคใต้เพราะทางมูลนิธิได้รับบริจาคของจากผู้มีจิตศรัทธาได้มากพอสมควร เตรียมจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ก็เห็นอาจารย์ฉลองเป็นคนในท้องถิ่นใกล้เคียงนั้นก็อยากจะให้เป็นผู้นำทางอาจารย์ก็เห็นว่าได้โอกาสที่จะช่วยพวกพ้องร่วมภาคมากขึ้นก็รีบตอบรับทันทีทางมู ล, ลนิธิก็แจ้งกาหนดการออกเดินทางให้ทราบอาจารย์ก็มีเวลาเตรียมตัวเพียงแค่คืนเดียวแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันช้าเกินไปเพราะว่าจิตใจ ของท่านนะ่ะล่องลอยไปคอยอยู่ที่ภาคใต้ก่อนแล้วคณะของอาจารย์ที่เดินทางไปนะชื่อมูลนิธิกิติมิ่งมงคลออกเดินทางจากกรุงเทพในเวลากลางคืนโดยมีรถบรรทุกขนาดใหญ่สองคันบรรทุกข้าวของไปเต็มเพียบและทางมูลนิธิยังได้มอบเงินไปซื้อข้าวสารเพิ่มเติมข้างหน้าอีกหลายหมื่นครั้นไปถึงภาคใต้ คณะก็แบ่งกันออกเป็นหลายชุดชุดหนึ่งมีประมาณห้าคนแยกกันออกไปปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละท้องที่ส่วนตัวอาจารย์ฉลองเนี่ยถูกใช้ให้ไปในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นจุดสำคัญเพราะว่าได้รับความเสียหายมากที่สุดโดยเฉพาะในเขตอำเภอพิปูนพรมคีรีฉวางลานสกาและก็ปากพนังครั้นแยกจากคณะใหญ่แล้ว คณะของอาจารย์ฉลองซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิและอาสาสมัครทั้งหมด6คนกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งบรรทุกข้าวของเต็มเพียงหนึ่งคันก็แยกไปทางอำเภอนาสารเพื่อจะมุ่งไปยังอำเภอพิปูลการเดินทางดำเนินไปอย่างทุลักทุเลเพราะว่าถนนหนทางขาดตอนหลายแห่งบางแห่งยังมีน้ำท่วมนองบางแห่งสะพานเชื่อมต่อก็พังทลายใช้การไม่ได้ ก็ต้องสร้างสะพานชั่วคราวและสะพานไม่มีประสิทธิภาพที่จะให้ยานพาหนะวิ่งได้อย่างรวดเร็วสองข้างทางสภาพความโหดร้ายจากธรรมชาติก็ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่ต้นไม้ที่เคยยืนต้นชูกิ่งก้านเขียวฉุ่มแล้วก็ดูเป็นทิวแถวประกอบกันเป็นสวนผลไม้นาน า, นาพันธุ์ก็ถูกกระแสน้ำพัดล้มระเนระนาะด บ้านเรือนราศดรจำนวนหลายหลังถูกโคลนตมทับถมบ้างก็ถูกกระแสน้ำพัดเอียงกระเทเร่ผู้คนที่พบเห็นก็ล้วนอยู่ในอาการโศกเศร้าแววตาหมุนหมองไร้ความสุขใจบรรยากาศทั่วไปก็ยังคงดูเศร้าทางเจ้าหน้าที่ก็จะจัดการให้ตามต้องการโดยจัดคิวผู้รับบริจาคตามลำดับลำดับของความเดือดร้อนมากน้อย และถ้าข้าของมีไม่พอก็จะจัดผู้รับบริจาคมาเป็นกลุ่มๆพวกที่รับไปแล้วในวันนี้ถ้าวันรุ่งขึ้นมีคนนํามาแจกอีกก็จัดให้พวกที่ยังไม่ได้รับไปสลับกันไปอย่างนี้และจากการจัดสลับกันอย่างนี้เองทำให้มีข่าวออกมาว่าแจกไม่ทั่วถึงเจ้าหน้าที่ลําเอียงแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างที่เห็นผู้รับแจกมาในคราวเดียวย่อมไม่ทั่วถึงแน่ แต่ถ้าคิดตามลำดับจัดสรรกันแล้วก็เห็นเป็นการยุติธรรมดีแล้วที่อาจจะดูลำเอียงอยู่บ้างก็ข้าวของที่คนนำไปแจกไม่เหมือนกันทั้งหมดนั่นเองอาจารย์ได้เห็นการทำงานอย่างเป็นระบบและน่าไว้วางใจของเจ้าหน้าที่ประกอบกับข้าวของซึ่งมีไม่มากนักซึ่งประมาณดูแล้วว่าไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้เดือดร้อนทั้งหมดแน่ก็เลยมอบให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดแจก และเพราะมอบหมายภาระการจัดแจกให้กับเจ้าหน้าที่นี่เองทำให้ทุกคนก็มีเวลาว่างมากพอที่จะเที่ยวสำรวจดูร่องรอยความโหร้ายที่ธรรมชาติทิ้งไว้ให้โดยเฉพาะอาจา ร, รย์ฉลองก็พยายามหาทางพูดคุยถามถ่ายเรื่องราวกับผู้ประสบภัยโดยตรงเพราะคิดว่ามันจะได้ความกระจ่างชัดมากกว่าเพียงดูหรือว่าฟังเขาเล่ากัน จากการได้พูดคุยกับผู้ประสบอุทกภัยหลายหลา ย, ลายคนทำให้อาจารย์ได้รับรู้ความทุกข์ร้อนและเรื่องปวดร้าวใจของพวกเขามากขึ้นกว่าที่มองเห็นด้วยตาเสร็จจากการพูดคุยกับผู้อพยพอาจารย์ฉลองก็เลี่ยงออกมาสำรวจดูบริเวณรอบๆวัดแล้วก็ได้พบกับคุณยายวัยเจ็ดสิบเศษคนหนึ่งซึ่งนั่งเศร้าซึมอยู่หน้าศาลาวัดสภาพอิดโรยและไร้ชีวิตชีวาของแก ก็เรียกความสนใจจากอาจารย์แล้วก็เพื่อนคนหนึ่งให้เดินเข้าไปหายายยายทําไมออกมานั่งตรงนี้ล้วครับคุณยายก็ยังคงนั่งมืออยู่เหมือนเดิมข้างๆกายมีห่อผ้าซึ่งห่อด้วยพระคาว่างอยู่มือทั้งสองวางนิ่งอยู่บนตักดวงตามือลอยอาจารย์ก็ถามอีกยายไม่ได้อยู่ข้างบนน้อทเะครับ อาจารย์หมายถึงบนอาคารเรียนซึ่งถูกจัดเป็นที่อาศัยชั่วคราวของผู้อพยพแกก็ส่ายหน้าช้าๆทำให้อาจารย์รู้ว่าแกได้ยินคำถามแล้วเออทำไมละครับยายก็เห็นพวกอพยพเขาอยู่ข้างบนกันทั้งนั้นนะครับยายไม่อยากอยู่เองอ่ะลูกหลานยายไม่ได้อยู่ที่นี่เลยหรอครับไม่มีหรอกพวกเขาหายไปหมดแล้วที่บ้านโดนหนักเลยครับ คโคลนท่วมบ้านมิดเลยแล้วคุณยายรอดมาได้ยังไงล่ะครับยายเป็นหมอตาแยออกมาทาคลอดเขาที่นอกบ้านก็เลยรอดมาได้อาจารย์ก็เพื่อนปยักหน้าเข้าใจเสร็จแล้วเพื่อนก็วิ่งกลับไปที่รถซึ่งมีข้าวของที่นาไปแจกผู้ประสบอุทกภัยเหลืออยู่เพราะว่าแบ่งไว้จะนําไปแจกในจุดต่อไปไปหยิบข้าวของมาสองาอย่าง ซึ่งก็มีข้าวสารพวกอาหารกระป๋องแล้วก็ผ้าหม่มผืนหนึ่งพาวิ่งกลับมาแต่พอเขายื่นของทั้งหมดให้คุณยายก็สายหน้าปฏิเสธยายไม่เอาหรอกอ้าวทำไมล่ะครับพวกผมมาจากมูลนิธิกิติมิ่งมงคล น, นําของมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ครับยายไม่รู้จะเอาไปทําอะไรข้าวสารก็ไม่รู้จะเอาอะไรหุงหม้อรักใบก็ไม่มี เหลืออยู่แค่นี้แหละเสร็จแล้วแกก็เอามือตบหอผ้าอ้าวแล้วยายได้กินอยู่ยังไงล่ะครับทั้งวัดเขาหุงข้าวกระทะเลี้ยงทุกวันยายก็อาศัยเขากินเอองั้นยายเอาไอ้นี่ไว้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนอาจารย์เขาบอกพร้อมก็วางผ้าห่มบนปักแกคุณยายไม่ปฏิเสธเพื่อนก็ควักเกินออกมายื่นให้แกอีกนิดหน่อยอ้าอาจารย์ฉลองก็มีแกใจ จะสมทบก็เลยควักออกมาให้ด้วยขอบใจมากก็ลูกเอ้ยทุกคนก็จากคุณยายมาที่รถหมายจะเรียกพักพวกกลับให้หมดแล้วจะได้ออกเดินทางต่อไปแต่คณะยังไม่ทันกลับออกมาหมดทุกคนอยู่ๆอาจารย์ฉลองก็รู้สึกเย็นวาบที่บ่าลูกบ่าวมาจากชุมพรกันใช่ไหมคำถามนี้ดังขึ้นก่อนที่อาจารย์จะหันไปดู เป็นเสียงของผู้ชายวัยเฉียดเจ็ดสิบแต่ก็ยังดูแข็งแรงผิวดำกร้านลำตัวไม่คู้แกสวมเสื้อสีมัวมัวนุ่งกางเกงขาสั้นอาจารย์ได้กลิ่นเหล้าโชยเข้าจมูกเมื่อเห็นหน้าตาของแกแดงกำ่ำาการทรงตัวก็ดูโอนเอ็นก็รู้ได้ทันทีว่าแกอยู่ในอาการเมาลุงเสียใจออที่บ้านโดนหนักเหรอลุงแกสายหน้าป ไม่เท่าไหร่นิดเดียวเองโดนแค่ปลายปลายของมันแล้วมีใครเป็นอะไรบ้างไหมครับไม่มีไม่มีใครอยู่บ้านเลยลูกกับเมียไปดูสวนที่ชุมพรพอดีเออโชคดีนะลุงที่ไม่มีอะไรเสียหายมากลุงเสียใจเสียใจจริงๆเสียใจอะไรล่ะลุงกูไหนบอกว่าไม่มีอะไรเสียหายมากเสียใจที่สุดในชีวิตเลยลูกบ่าวเ อ, อ้ย อาจารย์ฉลองคิดว่าลุงคนนี้แกคงเสียใจหนักจนพูดเพ้อเจ้อไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือไม่ก็คงเพราะริดเมามันเป็นภัยธรรมชาติะลุงอย่าไปคิดอะไรมากเลยลุงเสียใจจริงๆที่บ้านเขาไปแจกของบ้างหรือเปล่าลุงแจกแจกทั่วล้วลุงอยากจะไปช่วยพวกลูกบ่าวแจกของด้วยจังไปไม่ได้หรอกลุง พวกผมยังจะต้องไปอีกหลายแห่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับกันเมื่อไหร่และจะกลับทางไหนก็ยังไม่รู้เลยแกก็ถอนใจเสียงดังก่อนที่จะพูดว่าลุงเสียใจจริงๆเลยเสียงหัวหน้าคณะตะโกนเรียกผู้ร่วมเดินทางบอกว่าขึ้นรถขึ้นรถไปต่อกันได้แล้วอาจารย์ก็เลยหันไปบอกคุณลุงลุงผมเห็นถ้าจะต้องไปก่อนแล้วนะลุงเออ ถ้าผ่านมาแถวนี้ก็แวะไปคุยกันบ้างนะอาจา ร, รย์ฉลองก็รับปากเป็นแกนแกนก็ไม่รู้จะแวะไปคุยกับแกได้ยังไงเพราะแม้แต่ชื่อก็ไม่รู้จักเออแล้วลูกบ่าวเป็นคนที่ไหนฮะผมเป็นชาวระโนดครับอืมคนระโนดเมื่อก่อนนี่จะมาซื้อเรือขุดจากที่นี่และมาซื้อกันทีหนึ่งหลายสิบลำลุงนี่แหละขุดเรือขาย ขุดกันบนเขาโนนแกชี้ไปที่ทิวเขาซึ่งบัดนี้เหลือสภาพเขาให้เห็นน้อยเต็มทีเมื่อก่อนนี้ขุดขายเองแต่ระยะหลังมีเท่าแกจากในเมืองเอาเครื่องเลื่อยมาโค่นไม้ให้ก็เลยรับจ้างเขาขุดแกสายหัวแล้วถอนใจเออไม่นึกเลยว่าไอ้ที่ทำไปเนะ่มันจะมามีโทษในวันนี้ ลุงไม่รู้จริงๆว่าการตัดไม้ขุนป่ามันจะมีโทษอย่างนี้ถึงได้นึกเสียใจอยู่นี่แหละอาจารย์ก็พยักหน้ารับช้าๆพอจะเข้าใจความรู้สึกของแกได้บ้างเออแล้วก็แล้วกันไปเถลุงต่อไปอย่าไปทํามันอีกก็แล้วกันผมไปก่อนนะแกโบกมือให้พร้อมทั้งสั่งเสียเออไอ้ลูกบ่าวลุงน้าหมดแรงทําชั่วแล้วละ่ะ แต่ไอ้คนที่เขายังมีแรงทำเนี่ยเขาจะทํากันอีกหรือเปล่าเนี่ยลุงไม่รู้หรอกนะคณะจากที่นั่นมาแล้วแต่ว่าเสียงสารภาพของคุณลุงคนนั้นยังก้องอยู่ในจิตสํานึกของอาจารย์ฉลองมันเกิดความอยากรู้ขึ้นมาในตอนนั้นเองว่าพวกที่มีความสําคัญในการตัดไม้ทําลายป่าละแวกนั้นหรือคนที่เป็นเท่าแก่ผู้ที่เอาเครื่องเลื่อยไปโค่นต้นไม้แล้วก็จ้างให้พวกคุณลุงขุดเรือขาย จะมีจิตสำนึกเช่นนี้บ้างหรือเปล่าแต่อาจารย์ฉลองก็ไม่มีโอกาสจะได้รู้นอกจากไม่รู้แล้วก็ยังไม่รู้จะไปถามใครอีกด้วยครับพี่ชายของคุณวิทยาเป็นคนเรียนเก่งเมื่อเรียนจบ รับปริญญาสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการแล้วถูกส่งไปประจำอยู่ต่างจังหวัดทางอีสานสร้างผลงานไวด้ดีมีราษฎรนิยมยกย่องความสามารถใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีก็เลื่อนจากข้าราชการระดับล่างเป็นประหลัดอำเภอระหว่างทำหน้าที่อยู่ที่ทางภาคอีสานได้พบเนื้อคู่เป็นสาวงามระดับตำบลไม่นานต่อมาก็แต่งงานอยู่กินกันอย่างมีความสุข ปีแรกของชีวิตสมรสมีลูกชายน่ารักน่าชังเอาไว้อุ้มชูอายุได้สองขวบก็ส่อแววฉลาดพูดเก่งเพื่อนบ้านก็รักใคร่เอ็นดูไปตามๆกันถึงปีที่สามภรรยาตั้งท้องลูกคนที่สองครบเก้าเดือนคลอดออกมาเป็นผู้หญิงต้องฝูมพักเลี้ยงดูทั้งลูกคนโตและคนเล็กเตียงแบะเบาไม่มีเวลาได้ใกล้ชิดกับพี่ชายของคุณวิทยาเหมือนเมื่อก่อนบางครั้งสามีก็ต้องมี ภารกิจต้องไปทำงานในหมู่บ้านชนบทห่างไกลคราวละสามสี่วันระหว่างนั้นก็มีผู้ไม่ประสงค์ดีลือกันให้สัตว์ว่าประลัดอำเภอไปติดผู้หญิงฝ่ายหญิงก็มีใจให้สงสัยไม่นานก็คงจะทิ้งคนเก่าไปอยู่กับคนใหม่ข่าวลืออันชั่วร้ายนี้ทำเอาพี่สะั้ยของคุณวิทยาในกระดุ่มถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับจะคอยตามสามีก็ติดขัดตรงที่ลูกๆยังเล็กนักใครอื่นที่ไหนจะดูแลลูกได้เท่าแม่ กำลังอึดอัดกรดัดล่วมเหมือนไฟผลาญเผอิญแม่ของพี่สะพยที่อยู่คนละจังหวัดแวะมาเยี่ยมครั้นปรับทุกกันจนรู้และเข้าใจแม่ก็เลยรับอาสาดูแลเด็กๆให้พี่สะพยหายห่วงหมดกังวลสามารถตามไปดูความประพฤติของสามีได้ทุกเมื่อบ้านที่พี่ชายคุณวิทยาปลูกเป็นเรือนหออยู่ย่านชานเมืองบนที่ดินสามไร่เศ็ ภายในบริเวณบ้านก็ร่มรือนดีเนื่องจากเคยเป็นสวนผลไม้มีทั้งไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและไม้ล้มลุกให้ผลเร็วเช่นมะม่วงมะขามชมพู่มะละกอกล้วยข้อบกพร่องก็มีอยู่มากเหมือนกันกล่าวคือตัวบ้านที่เป็นเครื่องตึกเครื่องไม้พี่ชายน่ไปซื้อไม้เก่ามาทำเป็นตัวบ้านชั้นบนแล้วก็ก่อชั้นล่างนี่ก่ออิฐถือปูนชั้นล่างไม่มีปัญหาตัวปัญหาน่ไปอยู่ที่ชั้นบน เพราะว่าป่าแถวนั้นเป็นแหล่งใหญ่ของปลวกถึงตอนฟ้าหลังฝนนี่ปลวกจะมาในร่างแมงเม่าบินขึ้นบ้านที่ตายเพราะเล่นไฟก็ตายไปที่ทิ้งปีกกลายเป็นปลวกจะขยายพันธุ์เป็นฝูงจนปลวกเต็มบ้านไปหมดฉีดด้วยดีดีทก็เกรงจะทําทลายปอดของเด็กๆแต่ถ้าขืนนิ่งดูได้บ้านก็จะถูกปลวกกัดกินจนพังแม่ยายของพี่ชายเนี่ยชื่อยายเพน มีวิธีกำจัดปลวกแปลกๆเจอปลวกขึ้นผากระดานแผ่นไหนก็รื้อออกทีละแผ่นเอาไปเคาะปลวกทิ้งบนกองเศษกิ่งใบไม้แห้งที่ลานหน้าบ้านจุดไฟเผาเพิ่มเดียวปลวกกี่แสนตัวก็สิ้นสกักส่วนไม้ผากระดานก็เอาไปตอกตะปูเข้าที่เดิมปลวกขึ้นบ้านตรงไหนก็ทำแบบเดิมทำได้เองคนเดียวเนื่องจากไายเพ็นเนรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงอ่าผิดกับคนแก่โดยทั่วไป แต่ว่าปัญหาใช่จะมีแต่ปลวกเพราะว่าย่านบ้านชานเมืองเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมเป็นป่าละเมาะฤดูแรงก็ยังพอทำนาตกถึงฤดูฝนก็มีปัญหาเรื่องสัตว์ตมีพิษตามมากับสายฝนตัวบ้านมักจะเป็นที่หลบฝนของสัตว์มีพิษเช่นตักขาบแมงป่องงูเหา่ารวมทั้งสัตว์ไม่มีพิษเช่นมดมแมลงสาบแล้วก็หนูผีเวลาเจอมแมลงสาบกาจัดง่ายแต่ยายเพนก็จะทาให้เป็นเรื่องยาก อุสาห์จับมันยัดใส่ขวดขวดหนึ่งหลายสิบตัวเพื่อเอาขวดไปย่างบนเตาไฟแมลงสาบก็วิ่งพลานหนีความร้อนอยู่ในขวดกว่า ม, มันจะขาดใจตายนี่ทรมานสิ้นดีเวลามีใครถามว่าทำไมต้องทรมานมันถึงขนาดนั้นยญยเพ็นก็อ้างมันเคยแทะนิ้วเท้าหลานหลานของฉันทําไม่สั่งสอนให้มันเข็ดหลาบจะใช้ได้หรอส่วนหนูผีใ่มีความรวดเร็วในการวิ่งแกจะใช้กรงดักหนูมาคอยดักทีนึงหลายกรง จับหนูผีได้วันละสิบตัวหนูผีก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับแมลงสาบนั่นก็คือเอากรงขังหนูย่างบนเตาไฟหนูจะวิ่งหนีความร้อนไปหาซีกที่มันยังร้อนน้อยอยู่แกก็ค่อยๆพ ล, พลิกกรงย่างไฟให้ร้อนทั่วถึงกันหนูผีตัวใหญ่กว่ามแมลงสาบก็เลยตายยากกว่าก่อนสิ้นใจมันทุกทรมานไม่ผิดอะไรก็ตกนรกทั้งเป็นและสาหรับมดที่แห่เข้าบ้านคราวละเป็นแสนแสน ยายเพนจะใช้ไม้ขวาดขวาหมดใส่ปี๊บสังกะสีเอาไปเผากลางแจ้งไฟลุกพรึบเดียวมดกี่แสนก็วอดเป็นขี้เท่าหมดพฤติกรรมของยายเพนไม่ใช่ได้ยินใครมาเล่าให้ฟังคุณวิทยาบอกว่าเห็นกระตาตัวเองตอนปิดเทอมแวะไปเที่ยวบ้านพี่ชายพอจะประเมินได้ว่าแกมีความสุขกับการฆ่าด้วยวิธีเผาทั้งเป็นวิธีอื่นมันก็ถือเป็นบาปเหมือนกันแต่ทรมานสัตว์น้อยกว่าแกไม่เอา ที่แสนโหดสุดๆก็ตอนที่แกจับงูได้ทั้งๆที่งูตัวนั้นเป็นงูพิษเลื้อยว่องไวมากแกสามารถใช้ไม้กวาดด้ามยาวเคี่ยวมันเข้าไปในจนมุมในถังผงแล้วก็เอาฝาปิดไว้ที่ลานดินหน้าบ้านนี่มีหลุมลึกหนึ่งเมตรกว้างยาวอย่างละเม็ดหลายหลุมเห็นทีแรกตอนที่เพิ่งมาถึงไม่รู้หรอกว่าเป็นหลุมอะไรใครเป็นคนขุดดินจนเป็นหลุมอย่างนั้นเพิ่งจะมารู้ก็ตอนยายเพนเอางูในถังไปเทลงหลุม ในหลุมก็จุดไฟลุกโชนรออยู่งูตัวนั้นโดนความร้อนก็เหมือนเพลิงนรกเผาความกลัวตายทำให้มันเลื้อยปราดสุดแรงเกิดจนสามารถโผพรวดขึ้นมาถึงปากหลุมได้อย่างเหลือเชื่อแต่มันก็ต้องโดนไม้กวาดด้ามยาวเขี่ยลงกองไฟไปตามเดิมมันบิดตัวเ ร, าเ ร, าเรา้เราๆอีกไม่กี่ครั้งก็นิ่งเงียบกลายเป็นงูย่างคุณวิทยาได้แต่ยืนมองตาปริบๆไอ้ครั้งจะออกปากห้ามไม่ให้ทาอย่างนั้น งูพิษมันก็เป็นสัตว์อันตรายอีกทั้งถึงคราวชะตาขาดก็เลยมีเหตุให้ต้องมาเจอยายเพนซึ่งเก่งกล้าเกินหญิงแก่ทั่วไปอายุร่วมเจ็ดสิบแล้วยังเปรียวยังกระสาวสาวความห้าวหาญก็เกินมนุษย์ไม่นึกกลัวแม้กระทั่งงูมีหน้ำซ้ำยังเอางูที่ย่างสุกใหม่ๆไปกินซะอีกกล่าวโดยสรุปยายเพนฆ่าสัตว์ทุกชนิดโดยการใช้ไฟเผา นับเฉพาะที่เห็นตอนที่คุณวิทยาเปิดเทอมเดินทางไปเยี่ยมพี่ชายแม่ยายของเขาฆ่าสัตว์ไปแล้วอย่างน้อยหลายแสนตัวเฉพาะมดนี่เป็นแสนแสนสัตว์อื่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นไปได้ว่าธรรมชาติของผู้คนทางภาคพื้นอีสานซึ่งสมัยนั้นแห้งแล้งกันดานการฆ่าสัตว์ทุกชนิดกินเป็นอาหารถือเป็นเรื่องปกติครั้งฆ่าจนคุ้นชินกับการฆ่าเ ว, เวลาพบเจอสัตว์อะไรมารบวนชีวิตวานเป็นอยู่ ถึงได้ฆ่าได้อย่างโหดเหี้ยมลืมสนิทว่าสัตว์มันก็มีชีวิตเหมือนเราคาดว่าที่แกอยู่รอดปลอดภัยมาได้จนกระทั่งถึงวัยไม้ใกล้ฟังคงจะเป็นด้วยธรรมเนียมประเพณีชาวอีสานนิยมเข้าวัดทำบุญถือศีลฟังธรรมเป็นประจำอำนาจบุญก็เลยมีพลังแรงเหนืออำนาจบาปเป็นเหตุให้เวรกรรมตามไม่รู้จักทันอย่างที่พระท่านสอนสั่งว่าบุญกับบาปเปรียบได้กับรถสองคัน คันหนึ่งบรรทุกแก้วแหวนเงินทองอีกคันนึงบรรทุกมือปืนรับจ้างคันที่บรรทุกเงินทองเติมน้ํามันก็ออกเทนสูงเปีนน jeans, ่ยมถังอยู่เสมอสามารถวิ่งนําหน้ารถบรรทุกมือปืนที่เติมน้ํามันเกรดธรรมดาแต่วันใดวันนึงรถบรรทุกเงินทองนี่หลงลืมเผลอแผลไปเติมน้ํามันเกรดธรรมดาส่วนรถมือปืนคือบาบนี่หันไปเติมน้ํามันออกเทนสูงมันก็จะวิ่งแซงรถบรรทุกเงินทองทันที ใครที่เป็นคนขับรถบรรทุกแก้แหวนเงินทองก็จะเสร็จพวกมือปืนไอ้ครั้นจะหันไปเติมน้ำมันออกเทนสูงก็สายเสียแล้วเพราะโดนจับตัวไปทรมานเข็นฆ่าหมดโอกาสจะเติมน้ำมันออกเทนสูงได้อีกช่วงเวลาที่ยายเพนอาสามาดูแลห ล, นหลานๆแทนพี่สะใยคุณวิทยามาในฐานะแม่ยายของปลัดอำเภอชาวบ้านร้านตลาดยำเกรงเรียกแกคุณยาย เดิมทีไม่เคยมีใครยกย่องขนาดนี้มาก่อนยญเพ็นก็เลยเคลิบเคลิม่มกับเสียงสรรเสริญเยินยอสำคัญตัวเองว่าดีวิเศษเหนือชาวบ้านการบูรณนทานจะเข้าร่วมเฉพาะในงานที่ลูกเขยเป็นประธานยกเลิกการฟังเทศวันพระวันโกนยุติการไปนอนค้างอ้างแรมที่วัดเพื่อถืออุโบสถศีลความดีงามประการเดียวที่เด่นชัดคือภูมิพักเลี้ยงดูหลานๆชนิดมดไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอม แต่ว่าขยันฆ่าสัตว์เป็นที่หนึ่งแอบหยิบเหล้ากรั่งในตู้โชว์ของลูกเขยดื่มเป็นประจำเวลาลูกเขยถามว่าเหล้าหายไปไหนแกก็บอกไม่รู้ด้วยเหตุด้วยผลดังกล่าวรถบุญของแกก็เริ่มวิ่งช้าลงรถบาปเริ่มวิ่งเฉียวปลิวลมอยู่มาวันหนึ่งพี่สะพ้ยเคลียร์ปัญหาคาใจกับพี่ชายเรียบร้อยหลังจากติดตาม ขุมความประพฤติเป็นปีๆเชื่อสนิทแล้วว่าสามีรักครอบครัวอย่างลึกซึ้งข่าวลือที่ว่าเวติดผู้หญิงหมู่บ้านอื่นเป็นข่าวโคลยที่ผู้ประสงค์ร้ายกุกขึ้นเองพี่สะพายก็อยู่ติดบ้านเริ่มดูแลลูกๆด้วยตัวเองอีกครั้งหายเพ็นหมดภารกิจก็กลับไปดูแลบ้านตัวเองซึ่งอยู่ไกลคนละจังหวัดไปคราวนี้ไปแล้วไปรับไม่ย้อนกลับมาอีกมีแต่ญาติพี่น้องของพี่สะพายหน้าตาตื่นมาส่งข่าวว่ายายเพ็ญทําไฟไหม้บ้าน เนื่องจากสมไฟเผาหมดจู่ๆมีลมแรงพัดคือมาเป็นเหตุให้เศษกิ่งไม้ที่ติดไฟปลิวเข้าบ้านกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไฟก็ลุกท่วมหลังคาใหญ่ยยเพนเสียดายแก้แหวนเงินทองในตู้เซฟวิ่งเข้าบ้านจะไปลากตู้เซฟออกมาให้จงได้ก็เลยถูกไฟครอกตายอย่างหน้าอานาถเออเวรกรรมมีจริงหรือไม่มีก็คิดดูเอาเถอะครับ